ลักษณะในเช้า 31อ6 ถึงข้อที่ 8 นะครับจงเข้มแข็ง แล้วโมเสสเรียกโยชูวาท่าน พระหรือทอดทิ้งท่านเสียจะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลว นะสิ่งสําคัญในวันนี้นะครับ แล้วก็ถ้าเป็นเพลงก็มีเพลง เป็นเหตุการณ์ตอนที่ในหลวงเนี่ย ในหลวงเองก็บอกว่ากลัวจะร้องจะไปทับรถ นะเสียงนั้นมีเสียงหนึ่งที่ทําให้ ในพระมหากษัตริย์ก็ทรงพบชายที่ กลัวจะไม่เสร็จกลับมานะเพราะเหตุผลว่า ตอนนั้นเห็นหน้าท่านแล้วเห็นหน้าท่านเศร้า พบชายคนนั้นถ้าถามเนี่ยผมก็บอกไม่ประหลาดนะ ในในการพบทั้งอ่ะไปทุกที่ทุก นั่นในแผนที่ของพระองค์ท่านจะมีหมู่ อ่าผมก็ถามเหมือนกันน่ะนะผมคงตอบได้คําเดียวเนี่ย เข้าใจมั้ยพล่งไอ้ 3,000 เนี่ยนะปี 3-4 นะเนี่ยถ้า YouTube ที่เป็นเอ่อภาพเคลื่อนไหวได้นะเรา สิ่งนั้นไม่เป็นผู้ไม่เนี่ยแต่ในหลวงก็ต้องไปทํานะไม่มีเหตุ พระชินีว้าชายพระองค์นะ 5 เมตร 20 นะ, ไป 25 เหลือกลับมา 4 คนประมาณเนี้ยนะในหลวงกับครอบครัวใช่พวกนี้เนี่ยจะ สงครามเย็นคอมมิวนิสต์เกินกลาดอะไรต่างๆเนี่ยทหารจะไปไหนมาไหนเนี่ยนั่ง อันนั้นคือสิ่งที่ 8 ผมจะอ่านในส่วนของพระ แล้วแต่ก็ไม่เชื่อสารพัดที่บิดาทรงประทานแก่เรา ขอเครื่องอาเมนก่อนเข้าไปเนื้อหาขอสรุปคําอีกคํา เป็นอันนั้นคือในหลวงของเราที่มีคุณค่ามหาศาลอันนั้นคือใน นะฮะเมื่อประชาชนนะอะไรนะ แต่โปร่งสันเรียกร้องกับคนที่สัญญาอ่าใน 31 นะฮะ 31 บทที่อ่าข้อที่ 7 จงกล้าไปเมื่อนะฮะอันนี้คือสิ่งสําคัญคือ นั้นสิ่งสําคัญคือจงเข้าไปและการเข้าไปต้อง คือกล้ายึดครองชนชายเซนเอ่อพระเจ้าบอกกับโมเสสบอก เหลือ 2 คนคือโยชูวาคาเลบก็พร้อม อันนั้นคือสิ่งที่อยากให้ กล้าเข้าไปทําไมเพื่อจะไปยึด ผมตอบอันตรายอ่ะได้นะถ้าผมไม่กล้าเข้าไปในพื้นที่ว่าอันตรายอ่ะ <c oughs> ประธาน NTC ของรัสเซียถ้าไม่ใช่เป็นความจริงปูตินพบเชื่อเป็นความจริงแหละผมคิดว่าคำพูด ไม่ต้องยกทัพจับศึกไปที่ไหนนะอันนี้เป็น ในเรื่องของสมัยคอมมิวนิสต์ไม่และ 범หาร ชาแตกความนี้นะจงออกไป พระเจ้าสัญญาว่าอะไรในข้อที่ 8 บัพทีย์บอกว่าข้อที่นะ ทรงอยู่กับเราแถมพระบิวะนําหน้าเราอยู่กับ และเป็นการให้ฟรีนะฮะอันนะคือสิ่งที่มองเห็นพระเจ้า อภาสแต่หัวในพระองค์ประกาศทรง นะฮะอะไรต่างๆนะผมก็มองเห็นนะทรงทําไหว ทำแล้วทิ้งนะไอ้ที่บอก 3 ทางองค์การไม่ทำ ความเชื่อแล้วพวกท่านมีความหวังใจบนพื้นฐาน นะฮะเราทําโครงการเดียวแล้วเป็นโครงการต่อเนื่องก็แย่นะ คบการที่กล้าบริจาคความเชื่อและไม่กลัวความ และไม่กลัวความล้มเหลวชีวิตของคริสเตียนถ้าเราเชื่อ เห็นมั้ยกล้าเชื่อและไม่กลัวความล้มเหลวแต่ แต่พ่อบิดาเรายิ่งใหญ่ใช่มั้ยถ้าชอบพูดคํา พระเยซูตรัสว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตพระองค์เป็น ทรงมีให้เรานะฮะอย่างที่ผมเคยบอกแล้วว่าบัดหนึ่ง คนรวยกว่าจะครับไม่เป็นคนรวยเป็นคนรวย นะฮะนั้นผมนั้นคือศีลกันนั้นเราเชื่อมั่นในเจ้า ไม่ว่าสิ่งนั้นจะแพงขนาดไหนก็ตาม ทั้งและทางด้านฝ่ายร่างกายทางด้าน 1ญญรร e 3, 3 ว่า เชื่อคงแหละประเทศไทยใครๆก็ชอบนะเคยถามคนต่างชาติ เอาแค่ผลไม้เนี่ยประเทศไทยทุเรียนกินได้นึกกินวันไหนก็กิน พระบาสมัยหัวไอ้คนกลัวเนี่ยทรงเชื่อประเทศไทยใครๆๆประเทศ เราเดินทางไปต่างจังหวัดนะแล้วไปดูนางนี้ไปทางอีสานโอ้ นะเคยไปตะวันออกกลางๆน้ําต้นไม้ก็ไม่เคยเห็นไม่ๆๆ และก็สอนคนไทยเรียนรู้จักอยู่ความ เอ่อมันจะมีเหตุผลไทยไม่ยอมรักเขาไทยครูคือ เราเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยอ่าส่งเงินบริจาคเข้าบัญชีนั้นแป๊บ ข่าวก็บ่นะนั้นเชื่อและพงะธรรมและถ้ากระเชื่อใน ถ้าประเทศไทยประหลาดประหลาดนั้นคนที่เชื่อในพระเจ้า เป็นไปได้ที่คนกรุงคงจะอดตายแต่ถ้าคนกรุง ได้เห็นคงการทํากับประเทศพม่าคงการที่ทํากับประเทศ เมื่อพระองค์ใช้เราไปพระนะฮะอันนั้นคือเนี่ยนอกจาก ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สุดไม่ได้ ขอบคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเป็นการใช้โอกาสทํา ทั้งถวายเกียรติแด่พระเจ้าและตอบแทนพระ สรรเสริญสมควรแก่การเสริญเจ้าสรรเสริญสมบูรณ์แก่